ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังกหะอัตกถาพระสาตริบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาโขโมแปลเรื่องที่สิบพันดะปฏิสามะวินิชยกถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการเก็บงำสิ่งของ ก็นำมาจากอัตถกถาสมันตะปาสาธิกาทุติยะปาราชิกเรื่องรับของฝากคำว่าการเก็บงำพันดักได้แก่การคุ้มครองรักษาพันดักของผู้อื่นสิ่งที่เป็นกัอปิยะวัตถุ ก, กดีเป็นอกภิยะวัตถุ ก, กดีชั้นที่สุดแม้ใบตาลเป็นเครื่องกระดับหูของมัรดาเมื่อภิกษุรับเก็บของอันเป็นของครหัดโดยมุ่งวัดแห่งพันดาคาริก เป็นใหญ่เป็นอาบัตป่าจิตตีแต่ถ้าของของมานดาบิดาเป็นกัปปิยพันธ์อันควรที่พิกษุจะเก็บไว้ได้แน่นอนพึงรับเก็บไว้เพื่อประโยชน์ตนแต่เมื่อเขากล่าวว่าท่านโปรดเก็บของนี้ไว้ให้ด้วยพึงห้ามว่าไม่ควรจะไปรับของฝากของกรฐาดนั้นไม่เหมาะแต่ถ้าของโยมมานดาบิดานี้ทําเป็นของของตนแล้วเก็บไว้นี่ได้ ถ้าพวกกระหัดโยนของทิ้งไว้กล่าวว่านิมนท์ท่านเก็บไว้ให้ด้วยแล้วไปเสียจัดว่าเป็นธุระสมควรจะเก็บไว้พวกคนงานมีช่างไม้เป็นต้นผู้ําการงานในวิหารก็ดีผู้ราชวัลลบก็ดีขอร้องให้ช่วยเก็บเครื่องมือหรือเครื่องนอนของตนว่านิมนท์ท่านช่วยเก็บไว้ให้ด้วยอย่าพึงกระทาเพราะชอบพอกันบ้างเพราะกลัวบ้างแต่จะแสดงที่เก็บให้ควรอยู่ ส่วนในเหล่าคนผู้โยนของทิ้งไว้โดยพระการแล้วไปเสียจะเก็บไว้ให้ก็ควรก็ต้องรับผิดชอบกันนะถ้าอยู่ในวัดถ้าพิสอันเจ้าของทวงว่าท่านจงให้พันฑะแต่ผมดังนี้ไม่อยากจะให้พันฑะที่เขาวางไว้เพื่อประโยชน์จากการเก็บในมือของตนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับไว้เป็นทุกกฎเพราะเป็นประโยชน์แห่งอัินาทานแม้ในพระกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่คงเป็นทุกกฎนั่นเอง แม้แก่พิพกูุผู้กล่าวความเป็นต้นว่าท่านพูดอะไรคำนี้ไม่สมควรแต่ข้าพเจา้าทั้งไม่สมควรแก่ท่านด้วยเจ้าของยังความสงสัยให้เกิดขึ้นว่าเราได้มอบทรัพย์ไว้ในมือของพิสูตนี้ในที่รับคนอื่นไม่มีใครรู้เธอจัให้แก่เราหรือไม่หนอเป็นทุนละใจแก่พิกษุเธอรับฝากเอาไว้แล้วทำให้เขาเกิดความสงสัยนี่ก็เป็นอบัติทุละใจ เจ้าของเห็นข้อที่พิสูจนานเป็นผู้หยาบคายเป็นต้นจึงทอดทุระว่าทิกตุ ร, รูปนี้จักไม่คืนให้แก่เราในพิสูจนแล้วเจ้าของพันดนานั้นถ้าพิสูจนยังมีความอุตสาหะในการให้อยู่ว่าเราจะทําให้เขาลําบากแล้วจากให้ยังรักษาอยู่ก่อนคือยังไม่ต้องปาตาชิกแม้ถ้าเธอไม่มีความอุตสาหะในการให้แต่เจ้าของพันดะยังมีความอุตสาหะในอันรักยังรักษาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าิกุตุไม่มีอุสาหะในการให้นั้นเจ้าของพันดะทอทุระว่าพิกุตุรูปนี้จักไม่ให้แกเราเป็นประราชิษแก่พิกุตุเพราะทอดทุระของทั้งสองฝ่ายด้วยประการชนี้แม้ถ้าพิกุตุพูดแต่ปากว่าจักให้แต่จิตใจไม่อยากให้แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นประราชิษในเพราะเจ้าของทอดทุระแต่ไม่เป็นอาบัตแก่พิกตุผู้ย้ายพันดะ ที่จนเหล่าอื่นมอบไว้ในมือของตนเพื่อประโยชน์แก่การรักษาถึงจะให้เคลื่อนจากฐานที่ไม่ได้คุ้มครองนําไปเพื่อต้องการเก็บไว้ในที่คุ้มครองอวาหารย่อมไม่มีแก่พิกจุผู้ให้เคลื่อนจากฐานแม้ด้วยไถยจิตเพราะเหตุไรก็เป็นของที่เขาฝากไว้ในมือของตนแต่เป็นพันดะไทยแม้เมื่อพิกจุใช้สอยด้วยไถยจิตก็มีในนี้เหมือนกันคือถ้าก็ฝากไว้เนี่ยเอาเคลื่อนจากฐานนี้ยังไม่เป็นอาบัติ เพราะเขาฝากไว้ไอ้ที่จะเป็นอาบัตตต่อเมื่อว่าเขามาทวงคืนแล้วไม่ให้คืนเมื่อไหร่ถ้าเขาท้ อ, อธุระพร้พิตรก็ไม่ให้คืนอันนี้ถึงจะเป็นอาบัติปราชิดที่สุจะเก็บบริขารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของสาธรรมิกทั้งห้าก็ควรถ้าอาคันตุกะที่ตุเมื่อพวกพิตรเจ้าถิน่นทำจีวรกรรมอยู่เก็บบานะจีวรไว้ในที่ใกล้สําคัญว่า พวกพิสูเจ้าถิ่นเหล่านั้นจะคุ้มครองไว้จึงไปเพื่ออาบน้ำหรือไปในที่อื่นเสียถ้าพิกูุเจ้าถิ่นคุ้มครองไว้ได้อย่างนั้นเป็นการดีถ้าไม่ได้คุ้มครองไว้เมื่อบาและจิวรนนั้นสูญหายไปก็ไม่เป็นสินใช้เพราะว่าไม่ได้มาแจ้งไม่ได้มาบอกให้เขาเก็บให้าวางไว้เฉยๆถ้าแม้พิกูุอาคัุกะนั้นกล่าวว่าจงเก็บบาและจิวอนนี้ไว้เถิดขอรับแล้วไป และพิกูจเจ้าถิ่นนอกนั้นไม่ทราบเพราะมัวขวนขวายในกิจอยู่เพิงทราบในนี้เหมือนกันก็คือไม่ได้บอกให้พิกูุเจ้าถิ่นรับปากว่าจะเก็บให้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นสินใช้ถ้าหายไปแม้ถ้าพิสูุเจ้าถิ่นเหล่านั้นอ่นอานภิกูจอาคันตุกะกล่าวแล้วว่าจงเก็บบาทและจุวร น, นี้ไว้เถิดขอรับได้ห้ามว่าพวกขา้าพเจ้ากําลังยุ่งและพิกูุอาคันตุกะนอกนี้ก็คิดว่าท่านเหล่านี้จะเก็บไว้ให้แน่นอน ไม่ติดใจแล้วไปเสียก็พึ่งทราบในนี้เหมือนกันก็คือเขาบอกแล้วว่าเขากำลังยุ่งไม่สามารถจะมาดูแลได้ก็ยังเอาข้าวของทิ้งไว้เพียงข้าวของหายไปก็ไม่เป็นสินใช้แก่พิสุจเจ้าทินแต่ถ้าพวกพิสูจุเจ้าทินถูกพระอคันธุกะรูปนั้นขอร้องหรือไม่ขอร้องก็ตามพูดว่าพวกข้าพเจ้าจะเก็บไว้เองท่านจงไปเถิดดังนี้ต้องรักษาบ่าและจีวร น, นั้นไว้ ถ้าไม่รักษาไว้ไซส์เมื่อบาดและจีวรนั้นสูญหายไปย่อมเป็นสินใช้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าบาจีวรนั้นพวกเธอรับไว้แล้วรับว่าจะดูแลให้ทิสุรูปใดเป็นพันดาคาริกคือผู้ที่รักษาเรือนครังเวลาจวนรุ่งสางนั่นเองได้รวบรวมบาดและจีวรของทิสุทั้งหลายลงไปไว้ยังปราสาชั้นล่างไม่ได้ปิดประตูทั้งไม่ได้บอกแม้แก่ทิสุเหล่านั้น ไปเที่ยวพิกขาจาร์ในที่ไกลเสียถ้าพวกโจรลักอาบาลและจิวอนเหล่านั้นไปใจย่อมเป็นสินใช้แก่เธอแท้เพราะว่าคนรักษาเรือนคลังก็ต้องดูแลรักษาให้ดีจะไปปล่อยปลาละเลยเปิดประตูเรือนคลังเอาไว้คนอื่นรักไปก็เป็นสินใช้ส่วนที่สู่พันดาคาริกรูปใดถูกพวกพิสูจกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านยก บ, บาและจิวอนลงมาเถิดบบบนี้ได้เวลาจับสลากจึงถามว่าพวกท่านประชุมพร้อมกันแล้วหรือ เมื่อท่านเหล่านั้นเรียนว่าประชุมกันพร้อมแล้วขอรับจึงได้นําอาบาและจีวร อ, ออกมาวางไว้แล้วกั้นประตูพันดาคารก็คือเรือนคลังต่างว่าพวกท่านถืออาบาและจีวรแล้วพึงปิดประตูภายในประสาทเสียก่อนจึงไปดังนี้แล้วไปก็ในพวกพิศุทธเหล่านั้นพิศุท์รูปหนึ่งมีชาติเฉื่อยชาเมื่อพิศุทธ์ทั้งหลายไปกันแล้วภายหลังจึงเช็ดตาลุกขึ้นเดินไปยังที่มีน้ํา เพื่อจะล้างหน้าขณะนั้นพวกโจรพอเห็นเข้าจึงลักเอาบาและจีวรของเธอนั้นไปเป็นอันพวกโจรลักไปด้วยดีไม่เป็นสินใช้แก่พิสุพันดาคาริกก็เพราะว่าเฉื่ยช้าหรืออาจยืดยากที่เถาพวกโจรก็เลยลักไปลักไปด้วยดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นความดีหมายถึงลักไปแล้วก็ไม่มีผลแก่พระภิสุพันดาคาริกแม้ถ้าพิกสุบางรูปไม่ได้แจ้งแก่พิสุพันดาคาริกเลย ก็เก็บบริขารของตนไว้ในพันธาคารแม้เมื่อบริขารนั้นสูญหายไปก็ไม่เป็นสินใช้แก่พิสุพันดาคาริกแต่ถ้าพิสุพันดาคาริกเห็นบริขารนั้นแล้วคิดว่าเก็บไว้ในที่ไม่ควรจึงเอาไปเก็บไว้เมื่อบริขารนั้นสูญหายไปเป็นสินใช้แก่พิสุพันดาคาริศทุกนั้นถ้าพิสุพันดาคาริ ก, ราารกอันพิสุผู้เก็บไว้กล่าวว่าผมเก็บบริขารชื่อนี้ไว้แล้วขอรับ โปรดช่วยดูให้ด้วยครับว่าได้หรือรู้ว่าเก็บไว้ไม่ดีจึงเก็บไว้ในที่อื่นเสียเมื่อปิศาจนั้นสูญหายไปเป็นสินใช้แก่พิสุพันดาคาริสนั้นเหมือนกันแต่เมื่อเธอห้ามอยู่ว่าข้าพเจ้าไม่รับรู้อันนี้ก็ไม่เป็นสินใช้ฝ่ายพิกษุใดเมื่อพิสุพันดาคาริสนั้นเห็นอยู่นั่นเองเก็บไว้ทั้งไม่ให้พิสุพันดาคาริสรับรอง บริการต่อพิสูจน์นั้นหายไปเป็นอันสูญไปแล้วด้วยดีก็คือสูญไปโดยที่ไม่มีผลแก่พิสูพันดาคาริกถ้าภิกษูพันดาคาริกเก็บบริการนั้นไว้ในที่แห่งอื่นเมื่อสูญหายไปก็เป็นสินใช้แก่พิกสูพันดาคาริกถ้าพันดาคารรักษาดีบริการทั้งปวงของสงและของเจดีเขาเก็บไว้ในพันดาคาร น, นั้นแหลแต่พิกสูพันดาคาริกเป็นคนโง่ไม่ฉลาด เปิดประตูไว้ไปเพื่อฟังธรรมกถาหรือเพื่อทำกิจอื่นบางยามในที่ใดที่หนึ่งขณะนั้นพวกโจรเห็นแล้วลักพันดาไปเท่าใดพันดาเท่านั้นเป็นสินใช้แก่เธอทั้งหมดที่สุพันดาคารินีต้องฉลาดแล้วก็ต้องละเอียดละอ่อต้องตรวจดูข้าวของประตูอะไรตาร่างนี้อย่างดีเมื่อพันดาคาริษออกจากพันดาคารไปจงกลมอยู่ภายนอกหรือเปิดประตูตางอากาศ หรือนั่งตามประกอบสมณธรรมในพันธาคารนั่นเองหรือนั่งในพันดาคารนั่นเองขวนขวายด้วยกรรมบางอย่างหรือแม้เป็นผู้ปวดอุจาระปัสสาวะเมื่ออุปจาระในที่นั้นเองมีอยู่แต่ไปข้างนอกหรือเลนเลอ่อเสียด้วยอาการอื่นบางอย่างพวกโจรเปิดประตูหรือเข้าทางประตูที่เปิดไว้นั่นเองหรือตักที่ต่อลัดพันดะไปเท่าใดเพราะความเลนเลอ่อของเธอเป็นปัจจัย พันดะเท่านั้นเป็นสินใช้แก่เธอนั่นแหลกทั้งหมดฝ่ายพระอาจารย์บางพวกกล่าวว่าก็ในฤดูร้อนจะเปิดหน้าตามนอนก็ควรแต่เมื่อปวดอุจจาระแล้วไปในที่อื่นในเมื่ออุปจาระนั้นไม่มีจัดว่าเหลือวิสัยเพราะเธอตั้งอยู่ในฝ่ายของผู้เป็นไข้เพราะเหตุนั้นไม่เป็นสินใช้อันนี้ก็เป็นความเห็นของอาจารย์บางพวกฝ่ายพิจูดใดถูกความร้อนภายในเบียดเบียนจึง ปิดประตูดีแล้วออกไปข้างนอกและพวกโจรจับประตูนั้นได้แล้วบังคับว่าจงเปิดประตูเธอไม่ควรเปิดจนถึงสามครั้งจนถึงครั้งที่สามนะแต่ถ้าพวกโจรเงื้อขวานเป็นต้นขู่ว่าถ้าท่านไม่ยอมเปิดพวกเราจะฆ่าท่านเสียด้วยจะทำลายประตูลักบริขารไปเสียด้วยเธอจะเปิดให้ด้วยทาในใจว่าเมื่อเราตายเสนาสนะของสงก็ชิบหายไม่มีคุณเลย ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเราก็ตายฟรีแล้วก็เสียน้าสนะของสงฆ์ก็เสียหายด้วยดังนี้สมควรอยู่แม้ในอธิการนี้พระอาจารย์บางพวกกล่าวว่าไม่มีสินใช้เพราะว่าเหลือวิสัยถ้าพิตูอาคันธุกะบางรูปให้กุญแจหรือเปิดประตูไว้พวกโจรรับพันดะไปเท่าใดพันดะเท่านั้นเป็นสินใช้แก่อาคันตุกะนั้นทั้งหมด สลักยนต์และกุญแจเป็นของที่สงติดให้ไว้เพื่อประโยชน์แก่การรักษาพันดาคารพันาาคาริษใส่เพียงลิ่มแล้วจำวัดพวกโจรเปิดเข้าไปรักบริคารเป็นสิ่นใช้แก่เธอแทาก็มีสลักยนต์มีกุญแจไว้ทำไมไม่ตัวไม่ใส่เพราะฉะนั้นถ้าถูกลักก้าวของไปเพราะว่าใส่เพียงลิ่มสลักไว้เท่านั้นก็เป็นถิ่นใช้แต่พันดาคาริษนั้นใส่สลักยนต์และกุญแจแล้วจำวัด ถ้าพวกโจรมาบังคับว่าจงเปิดเธอพึงปฏิบัติในคำของพวกโจรนั้นตามในก่อนนั่นแหลก็คือต้องให้พูดเป็นครั้งทสามถึงยอมเปิดให้หรือว่าเขาเงื้อขวานเงื้อมีดแล้วก็อาเปิดให้ก็แล้วกันก็นเมื่อพันดาคาริกนั้นทําการรักษาอย่างดีอย่างนั้นแล้วจริงจำวัดถ้าพวกโจรทรราําลายฟ้าหรือหลังคาหรือเข้าทางอุโมงค์ลักไปไม่เป็นสินใช้แก่เธอเพราะว่าไม่ประมาทรักษาไวอ้อย่างดี ถราพระเถระแม้เหล่าอื่นอยู่ในพันดาคารเมื่อประตูเปิดท่านจึงถือเอาบริขารส่วนตัวไปพันดาคาริศไม่ระวังประตูในเมื่อพระเถระเดียวนั้นไปแล้วถ้าของอะไรอะไรในพันดาคารนั้นถูกลักไปเป็นสิ่งใช้แก่พันดาคาริศเท่านั้นเพราะพันดาคาริศเป็นใหญ่ฝ่ายพวกพระเถระพึงเป็นพักพวกก็คือต้องชดใช้ร่วมกันเป็นผู้ช่วยนี้เป็นความชอบธรรมในพันดาคารนั้น แต่ถ้าพันตาคาริกบอกว่าขอพวกท่านจงยืนรับบริขารของพวกท่านข้างนอกเถิดอย่าเข้ามาเลยและพระมหาเถระโลเรรูปหนึ่งแห่งพวกพระเถระเหล่านั้นพร้อมด้วยสา ม, มเณรและอุปสักทั้งหลายเปิดพันดาคารเข้าไปนั่งและนอนพันฑะหายไปเท่าใดเป็นสินใช้แก่พระเถระนั้นทั้งหมดฝ่ายพันตาคาริกและพระเถระที่เหลือพึงเป็นพักพวกก็คือร่วมกันช่วยกันใช้ ถ้าพิจูปันดาคาริสนั่นเองชวนเอาพวกสามเณรโรเรและลาวผู้อุปทาไปนั่งและนอนอยู่ในพันดาคารสิ่งของใดในพันดาคารนั้นหายไปของทั้งหมดนั้นเป็นสินใช้แก่พิจุปัรดาคาริสเท่านั้นตัวเหตุนั้นพิจุบรรดาคาริสเท่านั้นควรพักอยู่ในพันดาคารนั้นพวกพิจุที่เหลือควรพักอยู่ที่มณดกหรือโคนต้นไม้แต่ไม่ควรพักอยู่ในพันดาคารด้วยประการฉนี้ อันหนึ่งพิสูตเหล่าใดเก็บบริขารไว้ในห้องที่อยู่ของพวกพิสษุผู้เป็นสายการไว้ในห้องที่อยู่ของตนของตนเมื่อบริขารหายไปพิสูตเหล่าใดเก็บไว้เป็นสินใช้แก่พิสูตเหล่านั้นนั่นแหลฝ่ายพิสูตนอกนี้ควรเป็นพักพวกแต่ถ้ารงสั่งให้ถวายข้ายาคูและพักแก่พิกษุพันดาคาริศในวิหารนั่นเอง และพิสุพันดาคาริกรูปนั้นเข้าไปสู่บ้านเพื่อต้องการพิกษาจา์สิ่งของหายไปย่อมเป็นสินใช้แก่พิสุพันดาคาริกรูปนั้นนั่นเองแม้พิสุผู้รับหน้าที่เฝ้าวิหารที่พวกพิกสุผู้เข้าไปเที่ยวพิกขาจาร์ตั้งไว้เพื่อต้องการให้รักษาอาจเ ด, เดชกิวรนได้ยาคูและพักหรืออาหารเหมือนกันยังไปพิกขาจา์สิ่งของใดในวิหารนั้นหายไปสิ่งของนั้นทั้งหมดเป็นสินใช้แก่เธอ และสิ่งของมีประมาณนั้นนั่นเองจะเป็นสินใช้อย่างเดียวก็หาไม่ได้สิ่งของใดหายไปเพราะความประมาทของพิจุผู้เฝ้าวิหารนั้นเป็นปัจจัยสิ่งของนั้นทั้งหมดเป็นสินใช้แก่เธอเหมือนพิจุพันดาคาริกฉะนั้นเหมือนสิ่งของที่หายไปเพราะความประมาทของพิจุพันดาคาริจเป็นสินใช้แก่ภิกษุพันดาคาริจฉะนั้นถ้าเป็นวิหารใหญ่เมื่อเธอเดินไปเพื่อรักษาส่วนหนึ่ง สิ่งของที่เก็บไว้ในที่หนึ่งพวกโจรลักเอาไปย่อมไม่เป็นสิ่งใช้เพราะเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ในที่เช่นนั้นเธอควรเก็บบริการทั้งหลายไว้ในที่ประชุมแห่งพิกษุทั้งปวงแล้วนั่งในท่ามกลางวิหารหรือพึงตั้งภิกสุรับหน้าที่เฝ้าวิหารไว้สองสามรูปถ้าแม้เมื่อเธอเหล่านั้นมีได้เป็นผู้ประมาทคอยระแวดระวังอยู่ข้างโนและข้างนี้นั่นแล สิ่งของอะไรๆหายไปก็ไม่เป็นสิ่งใช้แก่เธอเหล่านั้นสิ่งของที่พวกโจรมัดพิจุผู้รับหน้าที่รักษาวิหารไว้แล้วลักเอาไปก็ดีสิ่งของที่ถูกลักไปโดยทางอื่นเมื่อพิจุรับหน้าที่เฝ้าวิหารเดินสวนทางพวกโจรไปก็ดีไม่เป็นสิ่งใช้แก่เธอเหล่านั้นถ้าข้าวยาคูและพัดหรืออาหารที่จะพึงถวายในวิหารไม่มีแต่พิจุผู้รับหน้าที่รักษาวิหาร จะตั้งสลากข้าวยาคูสองสามที่ซึ่งมีเหลือเฟือจากลาบที่พิสูจน์เหล่านั้นพึงได้และสลากพัดพอแก่พิสูจผู้เฝ้าวิหารเหล่านั้นก็ควรแต่ไม่ควรตั้งให้เป็นประจำเพราะว่าพวกชาวบ้านจะมีความเดือดร้อนใจว่าพวกพิสูุนผู้รับหน้าที่เฝ้าวิหารเท่านั้นย่อมฉันพัดของพวกเราเพราะเหตุนั้นจึงควรผลัดเปลี่ยนวาระกันตั้งไว้ ถ้าพวกพิสุที่เป็นสหายกันของพิสุวาระเฝ้าวิหารเหล่านั้นนำสลกักขปัตเป็นต้นมาถวายข้อนั้นก็เป็นการดีถ้าไม่ถวายควรให้พิสุทั้งหลายรับวาระแล้วให้นำมาถวายเถิดถ้าพิสุผู้รับหน้าที่รักษาวิหารเมื่อได้รับสลากข้าวยาคูสองสามที่และสลักขพัตสีห้าที่เสมอยังไปพิขาจารย์สิ่งของหายไปทั้งหมดเป็นสินใช้แก่เธอเหมือนพิกสุพันดาคาริกชนั้น ถ้าพัดหรือค่าจ้างเพื่อพัดของสงที่จะพึงถวายแก่พิกสุผู้เฝ้าวิหารไม่มีพวกพิกสุรับเอาตามวาระเฝ้าวิหารแล้วจึงให้นิสิตของตนของตนช่วยปฏิบัติวิหารจะไม่รับเอาวาระที่มาถึงย่อมไม่ได้ควรทำเหมือนอย่างที่พิสุเหล่าอื่นทำอยู่ฉะนั้นแต่ว่าพิกสุใดไม่มีสหายหรือเพื่อนไม่มีพิกสุผู้ชอบพอการที่จะนำพัดมาให้ พิสูนทั้งหลายไม่ควรให้วาระแต่พิสุนั้นก็คือต้องมีพัตนาารมีอาหารมียาคูอะไรไว้ให้เพื่อจะให้เฝ้าวิหารพิสุจทั้งหลายตั้งแม้ตัวใดไว้ในวิหารเพื่อประโยชน์เป็นสเบียงคลังควรตั้งพิสูจผู้รับเอาส่วนนั้นเลี้ยงชีพให้เป็นผู้รับวาระพิสุจนใดไม่รับเอาส่วนนั้นเลี้ยงชีพไม่ควรให้พิสุนนั้นรับวาระ ภิกษุทั้งหลายแต่งตั้งภิกษุไว้ในวิหารแม้เพื่อต้องการให้รักษาผลไม้น้อยใหญ่ครั้นปฏิบัติรักษาแล้วก็แจกกันฉันตามคราวแห่งผลไม้ภิกษุที่ฉันผลไม้เหล่านั้นควรตั้งให้รับวาระภิกษุผู้ไม่อาศัยผลไม้นั้นเลี้ยงชีพไม่ควรให้รับวาระก็คือวาระในการเฝ้าวิหารภิกษุทั้งหลายจะแต่งตั้งภิกษุไว้แม้เพื่อต้องการให้รักษาเสนาสะนะ เตียงตางและเครื่องปูรากควรแต่งตั้งภิกษุผู้อยู่ในอาวาสส่วนภิกษุผู้ถืออภโกาสิกะทุดงก็ดีก็คือผู้ที่อยู่กลางแจ้งผู้ถือลุกขา ม, มูริกะทุดงก็ดีผู้ที่อยู่โคนไม้ไม่ควรให้รับวระในการเ้าวิหารอาจารย์บางพวกกล่าวว่าภิกษุ ร, รูปหนึ่งยังเป็นพระนวิกะอยู่แต่เธอเป็นพระหูตูตรสอนธรรมให้การสอบถาม บอกบาลีแสดงธรรมกถาใจพิสูจเป็นอันมากทั้งช่วยภาระของสงฆ์ด้วยพิสูจนนี้เมื่อฉันลาบอยู่ก็ดีอยู่ในอาวานก็ดีไม่ควรให้รับาระควรรู้กันว่าเป็นคนพิเศษอันนี้ก็เป็นวาระของอาจารย์บางพวกแต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นผู้หูตูอนุเคราะ์แก่สงฆ์นี้ก็มีเธิพิเศษก็คืออยู่ในกุติที่ไม่ต้องย้ายก็ไม่ควรจะให้ย้ายอาหารก็ควรจะช่วยกันดูแลสงฆ์ก็ควรจะช่วยกันดูแลด้วยโดยเฉพาะ ถ้าวัดนั้นไม่มีพระพิตรที่สรวจปฏิโมกได้แล้วก็มีพิษสุภหูสูตรที่สามารถตรวจปฏิโมกได้ก็ต้องเปรียกกล่อมให้เธออยู่ในที่นั้นด้วยการอุปถาอุปธรรมต่างๆแต่พิกษสุผู้รักษาโรงอุาบสถและเรือนพระปฏิมาควรให้ข้าวยาคูและพัดเป็นทวีคูนข้าวสารทนาหนึ่งทุกวันทุกวันไตรจีวรประจําปีและกัปพิยพันธ์ที่มีราคาสิบหรือยี่สิบกหาปณะ ก็ถ้าเมื่อเธอได้รับข้าวยาขูและพัดนั่นอยู่นั่นเองสิ่งของอะไรอะไรในโรงอุโบสถและเรือนพระปฏิมาณนั้นหายไปเพราะความประมาทเป็นสินใช้แก่เธอทั้งหมดแต่สิ่งของที่ถูกพวกโจรผูกมัดตัวเธอไว้แล้วแย่งชิงเอาไปโดยพระละการย่อมไม่เป็นสินใช้แก่เธอการที่จะรักษาสิ่งของของเจดีไว้รวมกับสิ่งของของเจดีเอง รือกับสิ่งของของสงในโรคอุบสตเป็นต้นนั้นสมควรอยู่แต่การที่จะรักษาสิ่งของของสงไว้รวมกับสิ่งของของเจดีไม่ควรแต่สิ่งของอันใดที่เป็นของสงซึ่งเก็บรวมกับของเจดีสิ่งของของสงนั้นเมื่อให้รักษาของเจดีไว้แล้วก็เป็นอันรักษาไว้แล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาไว้อย่างนั้นควรอยู่ แม้เมื่อพิจูดรักษาสถานที่ทั้งหลายมีโรงอุโบสถเป็นต้นตามปักขะวาระสิ่งของที่หายไปเพราะอำนาจความประมาทย่อมเป็นสิ่งใช้เหมือนกันชนีแ้แหลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บงำสิ่งของผู้ที่มีหน้าที่รักษาเก็บนำสิ่งของนี้ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติธรรชัญญะคอยตรวจตราสอดส่องเป็นรนละเอียดละอออันนี้ก็จบเรื่องของการเก็บนำสิ่งของ คาถาวินิจฉัยเรื่องการเก็บงามสินขอในบาลีมุตตะวินนยะวินิจฉัยสังะหะจบแล้วสาธุสาธุสา ธ, สาธุขอให้ท่านเป็นผู้ที่ท่งพระวินยัยเป็นผู้ได้ปิติตามัวจากสารสัมพพระวินยัยเป็นผู้ที่ได้ความสงบได้ปัสสัท ธ, ธิได้ความสุขเป็นผู้ที่ได้เห็นแจ้งอริยสัจธรรมในที่สุดด้วยเถิ